อลาดินกับตะเกียงวิเศษก็ลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทะเลสาบอาระเบียมีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่นั่นมีลูกชายช่าง้าคนหนึ่งชื่ออลาดินเขาชอบเล่นในตลาดกับสัตว์เลี้ยงของเขาลิงอาบูแต่โชคไม่ดีตอนที่เขาอายุ16ปีพ่อของเขาได้ตายไปแม่ ผมจะดูแลร้านต่อแล้วหาเงินเองไม่ต้องห่วงนะอล a d d i เลยเริ่มทํางานที่ร้านผ้าของพ่อเขาวันหนึ่งมีคนแปลกหน้ามาที่ร้านสวัสดีอล addin ฉันได้ยินเรืกก่องการตายของพ่อเธอตอนนั้นฉันไม่อยู่ในเมืองผมไม่เคยเจอคุณมาก่อนเลยคุณเป็นใครอ่ะฉันเป็นลุงของเธอฉันไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีโอ้ลุง ผมได้ยินเรื่องของลุงมาจากพ่อด้วยฉันมาที่นี่เพื่อพาเธอไปดูสถานที่ลับสมบัติลับมากับฉันสิมาด้วยกันเออสมบัติเหรอโอเคไปกันเลยอาลาดินดังบนหลังอูดแล้วออกเดินทางพวกเขาเดินทางกันถึงสี่วันกลางทะเลทรายสุดท้ายพวกเขาก็ไปถึงภูเขาซอมแห่งที่ถูกแยกโดยหุบเขาเล็กถึงแล้วเอาละ ไปเก็บไม้มาจุดไฟเมื่อจุดไฟมุสตาฟ่าปโปรยผงลงไปในกองไฟและเริ่มท่องมนต์ี้พิสันและแยกออกมาจากใต้ดินมีหินอ่อนแบนโผล่ขึ้นมาพร้อมกับแหวนโอ้โอ้โอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลุงผมกลัวนะไม่ต้องกลัวทำตามที่ฉันบอกใต้หินนี่มีสมบัติอยู่ซึ่งมันจะเป็นของเธอ แต่เธอต้องทำตามที่ฉันบอกก่อนอื่นเอาแหวนไปก่อนอลาดินเอาแหวนไปหินเปิดทางแลขทางใต้ชั้นบันไดให้ลงไปที่สุดของบนันไดเธอจะเจอสวนผลไม้เดินผ่านไปโดยไม่ต้องแตะอะไรทั้งนั้นไม่งั้นเธอต้องตายทันทีเดินไปไเรื่อยๆจนถึงสถานที่ที่มีตะเกียงอยู่ เทน้ำมันออกมาและเอามันมาให้ฉันแหวนนี้จะปกป้องเธอจากอันตรายอลาดินลงบันไดยอย่างระวังโดยไม่สัมผัสกับผนังทองด้านล่างมีสวนผลไม้มันดูเป็นผลไม้ที่น่าอร่อยมากเลยอลาดินหิวเขาอดใจไม่ไหวที่จะเด็ดมันทันทีที่เขาเด็ดแอปเปลิลมันก็กลายเป็นพลอย Uh huh. เขาเด็ดองุ่นก็กลายเป็นไข่มุกอเลดินแก่ผลไม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่นานเขาก็เจอตะเกียงส่องแสงเขาเทน้มันออกมาและเอาไปวางทับบนผลไม้อเลดินกลับขึ้นไปหาลุงมหาเวทของเขาที่กำลังรออยู่มาเลยส่งตะเกียงมาให้ฉันสิมือผมไม่ว่าง มาช่วยผมหน่อยสิลุงไอ้เจ้าเด็กโง่จะส่งตะเกียงมาหรือว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเพราะเขาโกรธเขาเลยร่ายเวทมนต์และผนังหินก็ปิดลงอาลาดินถูกคัางไว้ข้างในลุงลุงให้ผมออกไปสิโทษลุงฉันไม่น่าเชื่อใจคนนั้นเลยอาลาดินร้องไห้หลายวัน รอให้มีคนมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาโอ้ใครก็ได้พาฉันออกไปทีขอร้องละใครก็ได้ในขณะที่เขาพูดแบบนั้นเขาก็ไปแตะเข้ากับแหวนของเขาและเขาก็แปลกใจที่เขากลับมาถึงบ้านโอโอหายไปไหนมาตั้งนานลูกแม่ตามหาลูกไปทุกที่เลย 阿拉ดินเล่าเรื่องให้แม่ฟังและเอาสมบัติให้แม่ดูตะเกียงนี่เก่ามอกนะเธอถูตะเกียงเพื่อทําความสะอาดและเธอก็แปลกใจเมื่อ ย, ยักษจินนี่ปรกากฏออกมา อ, าอาท่านยิงบอกมาเลยต้องการอะไรเพราะเป็นปากของท่านเพราะถ้าเป็นคนถือตะเกียง阿拉ดินกับแม่ของเขาขึา้นมา แม่ขออาหารจากจินนี่เพราะพวกเขาหิวมาหลายวันแล้วทันใดนั้นเองจินนี่ก็แสกชุดจานสีเงินลงบนโต๊ะกินข้าวหลังจากนั้นบนจานแต่ละจานก็ปรากฏเป็นอาหารอร่อยอร่อยหลายอย่างเนื้อเผาขนมอบขนมเหนื่อยและอะไรมากกว่านั้นอลาดินกับแม่เขากินอาหารอย่างอิ่มเอลคุณแม่เอาชุดจานไปขายที่ตลาดและซื้อของจําเป็นกลับมา วันหนึ่งอลาดินไปเดินเล่นตลาดกับอาบูทันใดนั่นเองเขาก็ได้ยินประกาศปิดร้านเปิดถน น, นใครก็ตามที่มองหน้าเจ้าหญิงจะต้องถูกตัดหัวเจ้าหญิงเหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวันนี้ฉันต้องเห็นเธอให้ได้อลาดินซ่อนตัวหลังกองถังและขบวนขององหญิงก็แห่มา เธอมองออกมาผ่านม่านอลาดินทึ่งกับความงามของเธอว้าวเธอเป็นหญิงที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยฉันจะแต่งงานกับเธอ <c oughs> เขารีบวิ่งไปที่บ้านและบอกเรื่องความรักของเขาให้แม่ฟัง <c oughs> ลูกคิดจะแต่งงานกับเจ้าหญิงได้ยังไงสุลตายสั่งทำร้ายลูกแน่ถ้าเขารู้ผมพร้อมแม่ไปที่วัง เอาคำขอม่นของผมไปนะเอาเครื่องเพชพรพลอยไปเป็นของขวัญด้วยแม่เอาผลไม้เพชพรพลอยห่อไปด้วยผ้าไหมเธอไปที่วังเพื่อไปหาสุตาลต่านยามของสุตลต่านหยุดถวายไม่ให้เข้าไปแต่สุตลต่านสงสัยว่าเธอเอาอะไรมาให้ให้เธอเข้ามอขอบกุณบากเกอรเทิรนฉันขอลูกสาวของท่านให้แต่งงานกับลูกชายของฉัน จะได้ไหมคะลูกชายของฉันตกกลุ่มรักองหญิงฮ่าฮ่มันจะเป็นการหยามลูกสาวฉันที่ต้องอยู่กับชายจนๆอย่างลูกชายเธอแล้วนี่เอาอะไรมาในหอผ้าไหมนั่นละ่ะเธอเปิดหอและแสดงเครื่องอัญมณีทรงผลไม้ให้สุลต่านดูโอ้โหฮ่ไม่เคยเห็นนาราชิสวยแบบนี้มา ก, ก่อนเลยฉันประทับใจ แต่กอนที่ฉันจะยอมรับคําขอของเธอลูกชายของเธอจะต้องรับบททดสอบพิสูจน์ตัวเองให้เขาเอาอั ญ, ญมณีแบบนั้นมาถวายบนทาดทองสี่สถาดถาดสองคนใส่เสื้อผ้าที่แพงที่สุดและขนแต่ละถาดมาให้ฉันได้วยขอโทนแม่กลับบ้านไปบอกอลาดินให้รู้ฮ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรกอกอลาดินถูตะเกียงแล้วบอกจินนี่ว่าสุลต่านต้องการอะไร จินนี่เสกท่าจำนวนมากพร้อมถาดทองกับอัญมณีเอานี้ไปให้ท่านสุลตานครั้งนี้เขาจะต้องพอใจแน่แม่อลลดินไปที่วังทันทีเพื่อเอาของขวัญไปถวายโอ้เธอทําไม่ฉันประทับใจอีกแล้วแต่ลูกชายเธอจะต้องสร้างวังที่รูหราเพื่ออยู่กับลูกสาวของฉันแม่กลับบ้านไปบอกอลลดดินอีกครั้งเขาถูตะเกียงแล้วบอกความต้องการกับจินนี่ จินนี่สร้างหวังได้ข้ามคืนมันถูกมองเห็นได้จากวังของสุตลต่านจินมี่เสกพรมปูทางเชื่อมระหว่างปราสาทเก่งมากจินนี่แล้วก็ฉันขอเสื้อผ้าหลวงกับม้าสวยๆให้ขี่ด้วยนะได้เลยนายท่านตามตุกกแก น, นะครับจินนี่เสกเสื้อผ้าที่สวยที่สุดให้เขาอลาดินขี่ม้าขาวไปวังของสุตลต่าน ยินดีที่ได้รู้จักพ่อนุ่มเธอพิสูจน์ตัวเองแล้วจะขู่วัวจะได้ลูกสาวฉันเป็นคู่ครองฉันขอประกาศให้เธอแต่งงานกันเริมเตรียมการได้เลยอลาดินกับเจ้าหญิงแต่งงานกันอย่างมีความสุขทั้งอาณาจากักรฉลองกันอย่างมีความสุขการแต่งงานทําให้อลาดินดังข้ามคืนจอมเวทคนเดิมได้ยินข่าวเรื่องการแต่งงานและการร่ํารวยของอะลาดินนี่มันเอามาจากถ้ำได้ยังไง มันคงจะตกขโมยตะเกียงของฉันถึงได้โดยขนาดนี้ฉันจะต้องสั่งสอนมันจอมเวทไปที่อาณาจักรของอลัล addin เขาปลอมตัวเป็นคนขายตะเกียงแล้วไปที่วังของอลัล a d d i ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจตอนนั้นอล a d d i ไม่ได้อยู่ที่วงังไม่ใครอย า, ากเอตะเกียงเก่ามาล้ตะเกียงใหม่ไหมอล a d d i มีความสุขแน่ถ้าฉันเอาตะเกียงใหม่ไปสไพค์เขาเขาใช้ตะเกียงเก่าได้มานานแล้ว เธอเอาตะเกียงวิเศษไปแลกกับจอมเวนเขาถูตะเกียงแล้วเรียกจินนี่ออกมาทันทีนายท่านบอกมาเลยต้องการอะไรเพราะเป็นเบาของท่านเพราะว่าท่านเป็นคนถือตะเกียงงั้นก็เสกให้วังนี้กับเจ้าหญิงไปที่ดินแด น, นห่างไกลในทะเลทรายที่ไม่มีใครหาเจอเร็วเข้าใส่เลยทันใดนั้นวังหายไปในพริบตาสุลต่านเห็นผ่านหน้าต่างว่าวังของอล a d d i หายไป เขาสั่งให้อลาดินมาเข้าเฝ้าเพราะเวทมนต์ของเธอฉันเลยเสียลูกสาวไปเอาเธอกลับมาในสวันซะไม่งั้นเธอจะต้องถูกตัดหัวผมจะหาเธอให้ได้ผมสัญญาอลาดินเดินวอดในอนาณาจักรอยู่สามวันแต่เขาก็หาเจ้าหญิงไม่เจอฉันต้องให้แหวนช่วยแล้วมันจะช่วยฉันอีกครั้ง ฉันอยากจะเจอเจ้าหญิงของฉันไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าวังของเขามันเป็นทะเลายกว้างที่วังของเขาตั้งอยู่เขาแอบเข้าไปและเจอเจ้าหญิงในห้องของเธอพวกเขากอดกันเจ้าหญิงเล่าเรื่องให้เขาฟังไม่ต้องห่วงนะฉันมีแผนหนีแล้วก็ทวงตะเกียบกลับมาด้วย อลาดินเกรือซิในหูเธอ<ะ>และให้ขวดยากับเธอมันคือยาที่จะทำให้เหยื่อหมดสติอลาดินซ่อนหลังบ้านเพื่อที่จะคอยแอบดูจอมเวทก็เข้ามาในวัง อ, อับมุสตาฟาจ๊ะทำไมไม่เดือมเครื่องเดียบที่ฉันทำให้ล่ะลองดูสิจ๊ะอืมราชินีของข้าข้ารอาเวลานี่มานานแล้วส่สงบ้านเลยมา ต้องให้มันเป็นยาพิษข้าก็จะยอมดื่มเจ้าหญิงเทน้ำผลไม้ลงไปแล้วหยดยาพิษลงไปหลังจากนั้นก็ให้มุสตาฟาดื่มโอ้ทำไมอะไรอะไรมันก็ดูมืดเนี่ยแปลกจังเลยน้ำตาของจอมเวดเริ่มปิดลงอย่างช้าและฟุบลงกับโต๊ะอลาดินรีบออกมาและเอาตะเกียงจากเสื้อของเขาออกมา หวหน้าบอกมาเลยถ้าต้องการอะไรข้าเป็นบ่าวของท่านพาเราไปที่อาณาจักรของสุลต่านพร้อมวังของเราทิ้งจอมเวทเจ้าเล่ห์คนนี้ไว้กลางทะเลทรายลึกให้เขาหาทางกลับมาไม่ได้จินนี่ทําที่อลลดินบอกพวกเขากลับมาที่อาณาจักรอีกครั้งหลังจากที่เห็นความกล้าหาญของอลลดินสุลต่านเสนอมงกุฎให้อลลดินอลลดินได้รับตําแหน่งเป็นราชาต่อ กเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข